จิตฟุ้งซ่านหรือเกิดปัญญาถ้าใครสามารถทำสมาธิไปถึงจุดที่เรียกว่าจิตสงบนิ่งจนร่างกายตัวตนหายรู้สึกว่าในจักรวาล น, นี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นทีนี้ภายหลังมามาทำสมาธิภาวนาพอจิตสงบพับความคิดมันฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งฟุ้งขึ้นมาจะให้มันไปสู่จุดนั้น มันไม่ยอมไปนั่นแหละจึงจะรู้สึกตัวว่าความคิดที่เกิดขึ้นจิตมันฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านความจริงเนี่ยถ้าหากว่าความคิดเกิดขึ้นเรายินดียินร้ายพอใจไม่พอใจมันก็เป็นจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้ามันสักแต่ว่าคิดคิดแล้วทิ้งไปทิ้งไปมันไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านถึงแม้ว่ามันจะฟุ้งซ่านก็ตาม ไม่ฟูงงร้านก็ตามเราเอาสติกำหนดรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อจิตของเรามีพลังเข้มแข็งทางสมาธิแล้วแล้วสติปัญญามันรู้ทันกันถ้าสิ่งใดมันเกิดความพอใจยินดีขึ้นมามันก็จะรู้ตัวว่านี่คือกามตัณหาถ้ามันยินร้ายนี่คือวิภาวะตัณหาถ้ามันไปยึดนี่คือภาวะตัณหา สุขไปทุกข์ไปสติก็ตามรู้ตามรู้เรื่อยไปในเมื่อมันมีพลังทางสติปัญญาเข้มแข็งขึ้นมาพอมันหยุดกึกลงไปนิ่งปั๊บนิดหน่อยพอไหวตัวพับอ้อนี่คือทุกขอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเธจ้าตรัสรู้มามันจะไปตามคันลองของมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราหมัวแต่ห้ามจิตไม่ให้คิด ให้นิ่งอยู่เฉยๆมันไม่มีอารมณ์สิ่งรู้ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายให้เรากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานักภาวนาที่บางทีเสียประสาทเพราะไปฝืนธรรมชาติของสมาธิเวลามันจะสงบลึกลงไปเนี่ยไปรั้งมันไว้ดึงมันไว้ไปฝืนมันก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมา เวลามันจะเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาไปเข้าใจว่าฟุ้งซ่านจะไปบังคับให้มันหยุดไปฝืนธรรมชาติของสมาธิมันก็เป็นความตึงเครียดขึ้นมาปวดหัวมัวกล้าวขึ้นมาทุกทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ให้มีตัวรู้ตามมันจะนิ่งไปก็ปล่อยให้นิ่งมันจะปรุงแต่งก็ปล่อยให้ปรุงไป โดยธรรมชาติของสมาธิโดยทั่วๆไปแล้วจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไปยึดกันเพียงแค่ว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นปราะศะจากอารมณ์ความนึกคิดเราไปเอาอย่างนั้นอย่างเดียว